นั่งราบลงตั้งใจดีๆสมาธิฟังให้มีสมาธิในการฟังจึงจะเกิดปัญญาจึงจะได้รับความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่้าก็ามาจุดจออยู่ที่ คำสอนอยู่ที่ผู้แสดงไม่ได้ไปไหนตาจิตก็เหมือนกันตาใจก็เหมือนกันให้มาลู้อยู่ที่คำสอนคำแสดงอยู่ที่ผู้แสดงอืไม่ได้ไปนมมือทำนั่งสบายสบายฟังให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปตาม พิจนรณาไปตามใครควรไปตามถูกผิดยังไงสงสัยก็ให้ถามเวลาถามเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ให้ตอบคิงจะได้ <c oughs> วันนี้ก็จะพูดเรื่องพัสดาบาดินนี่ะหซึ่งคน เกิดมากก็อยากเป็นนี่แหละพระโสดาบันพระสกิธาคาพระนาคาพระลาหันถ้าเป็นพระโสดาบันก็ผิดอบั ย, ยภูมิได้ทํำบาปมาหลายครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ไปตกอบัยยาภูมิพระโสดาบันอะนะ จึงอยากให้พวกเราทั้งหลายรับเอาค <c oughs> ำสอนของพระเจ้าที่ท่านให้พวกเราเป็นพระโสดาบันนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วพอจะบรรลุรู้เท่าเข้าถึงพระโสดาบันได้ในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตโคตต่อไปนะ <c oughs>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 <c oughs> ข อ, อนอน่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงเด็กครา้าขอเจริญพรหามายังชาวพุทธของเราทุกคนทุกท่านนะ วันนี้ก็จะนำโอคุณพระโสดาบันมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็นำโอไปประพฤติปฏิบัติหรือฟังไปแล้วก็ถ้าเข้าใจก็จะบรรลุทูาเท่าไปพร้อมๆไปเลยถ้าตั้งใจฟังดีๆนะ <c oughs> พระสวดพูดย่อย ๆ, ๆเลยไม่ต้องเอากว้างๆมากๆ <c oughs> พระสวดาบันแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตคตุปรมะสัตต์แปลว่าเกศหลักสัตว์เดิมว่าสัตตะภาษาบาลีสัตตะแปลว่าเกศสัตตค ตุปลระมมะพัสดาบันประเภทนี้ได้บำเพ็ญภาวนาแล้วก็จะา ม, ามาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีฐไม่เกินเกียชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหนา้าเกียชาติอย่างมากไม่เกินเกียดชาติต่อไปก็ประเภทที่สองเรียกว่าโกลังโกละ พัสดาบันประเภทที่สองนี้ก็เป็นประเภทที่หนึ่งมาแล้วแล้วก็มามีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมไม่หลูกคาในหนทางจะม า, เ, าเกิดในมนุษย์หรือเทวดามนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกินสองชาติสามชาติ ก็จะเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าประเภทที่สามเรียกว่าเอกพิชีเอกแปลว่าหนึ่งเกิดชาติเดียวอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปเลยไม่กลับมาเกิดอีกให้มันเกลี่ยมันเก็บมันตายอีกต่อไปจะละวาง ขั้นห้าไปในขั้นสุดท้ายนี่หละแล้วก็จะอธิบายให้ฟัง <c oughs> เป็นชุดๆไปประเภทที่หนึ่งสัตสัตตคตุปลลมะพระโสดาบันองค์นี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสองอย่างศรัทธา ศีล น, นี่ไม่ง่ายเศรัทธาคือความเลื่อมใสอไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวอย่างลงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลง่ายๆใช่ไหมคำว่าศีล ในศาสนาก็มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเดศีลพวกนี้เป็นศีลสังคมศีลประเพณีทำไมถึงว่าอย่างนั้นพระบวชมามันก็มีหลายอย่างบวชมาเรียนมาเขียนมาอ่านมาเอามาห้มมาหาไปอย่างนั้นก็มี แล้วก็ออกไปเลียงค้อบเลี้ยงครัวใช่ไหมล่ะถือศีลตามประเพณีว่าเป็นพระก็ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติเอาจิงเอาจังปฏิบัติทมประเพณีไปเรื่อยๆเฉยๆว่าเป็นพระก็ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันไม่ได้สองราอยยี่สิบเจ็ดตามทำตามวินยัย จึงเรียกว่าศีลประเพณีศีล ส, สังคมศีล <c oughs> สิทก็เป็นศีลของเนรสมินรสังคมของเนที่เราเห็นอยู่นี้ก็รักษาศีลสิทสีล ส, สิบก็ศีลประเพณีไม่ได้เอากินเอาจัง อะไรนะศีลประเพณีศีล ส, สังคมชีประเขาพ่อเขาหรือแม่ชีก็รักษาศีลแปดหรือหาแม่พามทั้งหลายนี่ยก็รักษาศีลแปดเป็นประจำก็ถือศีลแปดเป็นสังคมเป็นประเพณีคารวา <c oughs> ะญาติโยมเหมือนกับพวกเราก็รักษาศีลห้า พ่อมีครอบครัวมีเย่ามีเลือนอยู่คนรักษาศีลห้าอันนี้เป็นศีลประเพณีศีล ส, สังคมไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะถือศีลศีลปากศีลของปากาศาสนาพุทธก่อพุทธตั้งแต่ใบถ้าเบียนบ้านเฉยๆอย่างไปทำผิดศีลผิดธรรม อยู่นอกรูนอกศีลอยู่ไม่ใช่ศีลจริงจริงศีลจริงจิคืออริยกันตสีนเคยได้ยินไหมล่ะอริยกันตสีนอริยกันตสีนหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าศีลกุศลกรรมบทสิบหือศีลในอริยมรร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 ข้อมาปฏิบัติในศีลนี้จึงได้เป็นอริยะสงฆ์บวชเข้ามาก็เป็นปุตุชนสนปุตุชนสงอยู่ถ้าไม่มาปฏิบัติปุศสนกรรมบทสิบหรืออริยะกันตรศีลก็ยังเป็นไม่ใช่พระอริยะเป็นพระสงฆ์เหมือนกันเข้าใจไหมล่ะสงฆ์บวชมาก็เป็นเหมือนกันแต่ ไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรกตามกุศลกรรมวจสิบก็เป็นปุถุชนสงฆ์งแปลเขาใจอยู่เนาะปุถุชนแปลว่าอะไรแปลว่าผู้กิเลสนะเป็นหายาบปุถุชนสงฆ์ส่วนอริยสงฆ์ก็มาปฏิบัติตามมักมีองแปลนี้ ทิศอริยมรูเรียกว่าอริยกันตสีนมีกายกรรมสามจำให้ดีนะวาจีกรรมสี่มะโนกรรมสามกายกรรมสามคือไม่เอากายไปทำกรรมชั่วสามอย่างบาปสามอย่างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ไม่เอาวาจาไปพูดบาปทุจริตสี่อย่างพูดปดพูดซอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเร็วไหลไรสละพูดปดพูดซอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเ็วไหลไรสละว่า <c oughs> ไม่นอกกัสามไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตอื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามธรรมนองคองธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แก่สี่อันนี้จึงเรียกว่าอาริยะกันตดศีนเมื่อใครนำเอาสีนี้ไปปฏิบัติ จึงได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นขึ้นมาคือพระโสดาบันสนีนนี้จึงตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอริยะกันตสีนกายกรรมสามวิกีกรรมสีมโนกรรมสามจงได้ไหมล่ะฮะ ห, ห้านั่งอยู่เนี่ย พูดย่อๆก็คือเป็นผู้มีกายดีวาจชาดีใจดีผู้กายดีวายชาดีก็เรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้หญิงก็เป็นสาวิกาผู้ชายก็เป็นสาวะสาวกสาวกะสาวกะสาวิก า, ส า, กาสาวกของพระพุทธเจ้า โมใดปฏิบัติดีแล้วนะปฏิบัติจังไรจึงเรียกว่าปฏิบัติดีอกายดีอะไร<า>ว่าใจาดีใจดีสีง่ายๆนี่สำรวจดูนะสำรวจดูเดี๋ยวนี้เองตั้งแต่เมื่อวานนี้ อดีตยังไม่มานั่งอยู่ในีอาจจะไม่ดีกายไม่ดีวายชาไม่ดีใจไม่ดีก็ได้ใช่ไหมหล่ะไมานั่งอยู่นี่ดีดีไหมล่ะดีนี่กายดีไม่ได้ขาดสัตว์รักทรัพย์พบดพิดในกรมก็เรียกว่ากายดีเท่านั้นเองวาจชาดีใจดีเท่านี้เราก็ได้เป็น ผู้มีกายสะอาดขึ้นมาวาจาสะอาดขึ้นมาใจสะอาดขึ้นมาเมื่อสะอาดแล้วก็จะได้เป็นผู้มีกายประเสริฐรักษาไปดีๆว่ากายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐผู้ประเสริฐเราก็ได้เป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมล่ะใช่ประเสริฐหรือยังฮะ ผู้เสิดไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อีกง่ายไหมผิดอบายภูมิได้แล้วเท่านี้แหละพระโสดาบันประเภทที่หนึ่งหากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินเกียชาติคงเข้าใจแล้วนะก็แสดงว่าเราบรรลุคุณธรรมสิบประการ เข้าไปสถิตอยู่ที่จิตที่ใจของเราเราก็บรรลุบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงคุณทาสิ ป, ปการเข้าถึงจิตถึงใจใจของเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาบรรลุหรื อ, อยังอานุโมทนาสาท่านี่ ได้เป็นเดียวนี้เลยพระโสดาบัน <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองเลยทีนี้ตายแล้วเราจะไปที่ไหนไม่ต้องสงสัยถ้าเป็นผู้มีกายดีวายาดีไม่ต้องสงสัยอีก <c oughs> นะไม่ต้องแงงไยอีกปิดอบายจบภูมิเ้ยแล้วจึงไม่เป็นห่วงตัวเองเอ็ดที่สอง โกลังโกละมาเกิดซองชาติสามชาติท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์หรือเ ท, ท, ทวดาอีกซองชาติสามชาติก็เขาสู่พระนิพพานในภายภาคหน้า <c oughs> เรียกว่าโกลังโกละเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมันมีดอกไม้อยู่ที่ข้างๆนี้ไหมหลงังผมว่ามีครั บ, นบนนทนม่มีล้วครับผม ตานั่นละ่ะ <c oughs> มีดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหุ่นถังมันมีกินรองไม่นั่นมาอยู่ เ, เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคิดยากไหมนะดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมคก็เห็ น, หนธรรมดานี่เอง ทำทั้งหลายก็คือกายกับใจไม่ได้ไปเห็นที่อื่นพวกเราเนี่ว่าไปเห็นที่อื่นไม่ใช่ไม่เห็นทำธรรมดาคือลูกทำนาท้ำทำใช่ไหมเห็นธรรมชาติก้อนนี้ทำทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่กายกับใจเท่านี้ทำทั้งหมดในโลกนี้ ย่อลงมาอยู่ไกากับใจเขาเห็นไกลกับใจรูปทำนามธรรมนี่แหละคขันห่านี่แหละหรือเรียกว่าตัวเรานี่แหละใช่ไหมละ่ะฮะธรรมดานั่งอยู่นี่เรามีความแก่เป็นธรรมดาเห็นเจ้าของแก่สักทีไหมฮะไม่เห็นเลย <c oughs> เท่ากันกับเมื่อวานอยู่ใช่ไหม ไม่เลยแก่เลยเหมือนกับเมือเ่อวานอยู่อยู่ที่ไหนใช่ไงลมล่ะทมก็คือกายกับใจนี่แหละรูปทานามน้ำทมนี่แหละพ่อนึกออกไหละ่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยก็เห็นตัวของเราเนี่ย่ะแก่มันทำไมถึงแก่ ฮะฮะทาไมถึงแก่อ๋อเพราะมันเกิดนานเนา ะ, ะอายุมากมันก็เลยแก่นั่นแหละเห็นไหมละ่ะเห็นมันแก่ไหมล่ะท่านนี่ตกใจไหมละ่ะฮะความแก่มาถึงแล้วจะยั่งยืนไหมฮึแน่เมื่อความแก่มาถึงแล้วไม่ยั่งยืนนะ มีเห็นความเจ็เป็นธรรมดาเห็นความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีไหมคนนั่งอยู่นี่ไม่เป็นบัดปวดหัวเจ็บท้องมีบ้างไหมไม่มีใช่ไหมนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยอนี่และเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาต่อไปสุดท้ายก็เรามีความตาย เป็นธรรมดาใช่ไหมจะตายไม่นั่งอย่างนี้คิดว่าหร <c oughs> ้จะอยู่ค้าโลกอยู่นะไม่มีใครอยู่ได้หรอกค้าโลกนั่นแหละมีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ก็ดวงตายเห็นธรรมเท่านั้นนะอันนี้ก็เห็นอนิจจังทำไมถึงแก่ เพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมถ้ามันเที่ยงอยู่จะแก่ไหมหไม่แก่ใช่ไหมล่ะถ้ามันเที่ยงอันนี่มันไม่เที่ยงแต่ก่อนเกิดเมื่อใหม่ๆเป็นทารกเดี๋ยวนี้เป็นตาเป็นใหญ่ <c oughs> เป็นปู่เป็นย่าเขาหมดแล้ว <c oughs> เที่ยงไหมแน่มันก็เห็นความไม่เที่ยงตังนี้ <c oughs> เป็นธรรมดานะ น, นิดจังทุกขังทุกขังแปลว่าแป้ทวนเปลีป่ยนแปลงอยู่ประจำไม่ได้อยู่คงที่หน้าก็เหี่ยวแห้งลงทุกทีใช่หมผมก็หงอกก็แตกไปแดงเปลี่ยนสีขาวสีแดงไปใช่ไหมเที่ยงไหมอ๋อไม่เที่ยงแล้ว ผิวก็เหี่ยวก็แห้งหูก็หนวกก็ตึง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตาก็ฟาก็ฟังฮ <c oughs> มันเที่ยงไหม <c oughs> น, นี่แหละธรรมดาอันนี้ก็เป็นเห็นของตื่นตื่นตื่นตื่นที่พระอายากนทัญญะบรรลุเป็น พระ ส, สงองค์แรกของโลกเป็นพระโสดาบันดงตาเห็นธรรมท่านเห็นยังไงตั้งใจฟังดีๆทีนีอ่อสิ่งใดยังกิจิสมุททะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติยังกิจิสมุททะธรร ม, มัง พันตังนิโรธาธรรมมันติเมื่อได้ฟังพระพุทธองค์แสดงทรรมจับจบลงก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเรา นึกว่าท่านเห็นยังไงเห็นธรรมะดาเนี่ยเห็นธรรมเนี่ยก็คิดไม่ออกเหมือนขันอ่านพัด ส, สูตรพัดทำมาจากจบสองหลอบสามหลอบกดดองตาไม่เห็นธรรมเพราะตีความหมไม่ออก <c oughs> อธรรมในที่นี้ธรรมะก็คือ กายกับใจนี่เองที่พระพุทธองค์แสดงทำมาจากตรงนั้นก็แสดงเรื่องธรรมะก็คือกายกับใจกายกับใจมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมล่ะทั้งหน้าลักดาดูเห็นมือไหมมันเกิดแล้วก็ดับเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามุนอยูงง่อย่า ง, ง, ง, งนี้เห็นกงจักรอย่างนี้ที่นี่ว่าธรรมจักรธรรมะก็คือขันหานี่รูปธรรมนามธรรมมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมุนเหมือนกงจักรขันหานี่มันเกิดดับอยู่อย่างนี้เห็นมันเกิดดับสักทีไหมเงียบใช่ไหม ปันนี้ชาวพุทธเรายังไม่เห็นคั้นห้าเกิดดับเลยใช่ไหมน่าสงสารวันนี้จะโปรดเอาสักหน่อ ย, ย <c oughs> ให้เข้าใจนะ่าคือกายใช่ไหม <c oughs> คือรูปภายในใช่ไหมหูจมูกลิ้นกายใจสรงข้อยเรียกว่ารูปภายใน ใช่ไหมหรือรท่านเรียกว่าอยายัดชนะภายในมันไปกระทบกับอยายัดชนะภายนอกอยายัดชนะภายนอกภายในกระทบกันรูปภายนอกกับรูปภายในใช่ไหมกระทบกันวิญญาณทั้งหกส่งขอเรียกว่าจิตเรียกว่าใจใจก็รู้ให้มันก็ส่งไปบอกใจกายกับใจ นี่แหละเรียกว่าขันห้าได้ไหมเนี่ฮะเรียกว่าขันห้าได้ไหมกายกับใจเนี่ยเมื่อลูกภายนอกมันกระทบรูกภายในกระทบตา ก, ก็ดีหูว ก, ก็ดีจมูกลิ้นมันส่งไปบอกใจใจน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าขันห้าเกิดพบหนึ่ง รู้จักขั้นห้าเกิดหรือยังฮะแต่ก่อนหลองตาก็ไม่เหมือนกันไม่ได้มาศึกษาเนืงว่าเกิดลอดท้องแม่มายังไม่ตายสักทีท <c oughs> ่าพุทธองค์ว่าเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้หมุนเป็นวัฏจัรสงสารพบแล้วพบเหล่าพบเก่าพบใหม่ตั้งแต่เช้ามานี่ ขั้นห้าเกิดกี่พบแล้วฮะรู้สึกตัวหรือยังตาเห็นลูกก็เกิดพุทธหนึ่งความคิดเกิดขึ้นก็เกิดพุทธหนึ่ง อ, อารมณ์เก่าที่ตาหูเห็นลูกเอาไว้มันจำเอาไว้ในใจพังว่างมันไหลออกจากใจของเรามาวิญญาณ อ, อันอารมณ์ธรรมอารมณ์นี้ก็เรียกว่าลูกภายนอกที่เราจำได้ไม่รู้เอาไว้ ใจของเราคือลูกภายในแล้วมันอาศัยกันเกิดอารมณ์ว่างๆจิตว่างๆความคิดอารมณ์ก็ไหลออกมามโนวิญญาณก็มารู้ให้เขาเรียกว่าลูกกบน้ำใช่ไหมยิ่อาศัยกันเกิดเรียกว่าขั้นห้าเกิดไหม เ, เอ่ดขั้นห้าทำงานเฉยๆความคิดไม่ใช่เราคิดนะ ไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีเรามีตัวมีตนอยู่ในนี้เราคิดเราจรึงไปสาคัญตนว่าเราคิดก็เลยวุน่นวายขึ้นมามาอุปทานว่าเก็บมันถือมันว่าเราคิดอุปทานคั้นห้าก็เลยทุกข์ขึ้นมามเข้าใจรั้นห้าเกิดดับหรือยัง <Okay. S 1> วันหนึ่งวันหนึ่งขั้นห้ามันเกิดกีภพกีชาต ฮเคยอ่านหนังสือหลงตู่มั่นไหมไม่ฉงกใครเคยอ่านเจอหกงากับป้อมกาขึ้นวันละร้อยกับป้อมน้อยขึ้นวันละพันตัวยังมาไม่ทันหลืออีกเป็นหมื่นเป็นแสนหนึ่งกับป้อมกาเคยกิเลสขึ้นวันละร้อยไม่ฉงก ก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งสกงกอยู่นี่จริงหนึ่งก็คือตาสองหูสามจมูกสี่ลิ้นกายใจเนี่ยอารมณ์จะไหลามาทั้งกระทบเนี่ยหกงานเนี่ยะปองกาขิเลสคือความโลภความโกรธจะมาเกิดขึ้นมาจากนี่ใช่ไหมล่ะนี่แหละหกงานี่ นี่แหละขันห้าเกิดดับจึงเรียกว่าธรรมะจักร อ, อยากธรรมาจากไหนธรร ม, มะคืออะไรต่อพ้องกันฮะอะไรนะฮะธรร ม, มะก็คือขันห้าคือกายกับใจมันเกิดมันดับหมุนอยู่เป็นโคงจักรตลอดวันตลอดคืน นอกจากเวลานอนหลับนอนหลับก็ยังฝันอยู่ <c oughs> ใช่ไหมฝ <c oughs> ันไม่นอนฮะถ้าหลับสนิทก็ไม่ฝันแล้ว <c oughs> ถ้าหลับหลับไม่สนิทก็ฝันรึ่งหลับรึ่งตื่นนั่นหกงานนี้มันก็ทำงานอยู่นี่หมุนเป็นวัฏจักรหมุนเป็นกงจักรอย่างนี้พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมจักรรู้จักความหมาย ธรรมาจากไหมที่นี่ธรรมะคือขั้นห้ามันหมุนเป็นตลอดวันตลอดคืนจึงเรียกว่าธรรมนี้เรียกว่าธรรมาจากธรรมไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมามีตาเห็นรูป ก, ก็เกิดถ้าเห็นของดีก็โลภอยากได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> หูได้ยินเสียงดีก็ฮะ <c oughs> <c oughs> อ, อ่าก็พอใจใช่ไหมถ้ายินเสียงเขาดา่า <c oughs> ก็ไม่พอใจอยิทถ้าลงอันนี้ถ้าลงมันก็เกิดอยู่อย่างนี้ยินดียินไล่อยู่อย่างนี้ตลอดวันยินดีก็เกิดความเรียกว่าความโลภจากใดยิน้ลยก็เกิดความโกรธใช่ไหมละ่ะกิจสวยอารมณ์เวทนาเมื่อยินดีเมื่อโลภภายนอก ตาลูกเสียงติ่นรถผดเพาะว่าธรรมลมเรียกว่าโลกภายนอกหรือลูกภายนอกฟังออกไหมมากระทบกับลูกภายในหรือโลกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทั้งหกสงขอเรียกว่าจิตเรียกว่าใจใจนอมออกรับอารมณ์ถ้าใจปุถุชน คนกิเลสนะัก็อารมณ์สเสวยอารมณ์ทันทีอหลงว่าเราคั้นห้าเป็นเราเป็นของของเราใช่ไหมหลงว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้รสขึ้นมาจิตจึงเกิดความยินดียินลายขึ้นมายินดีก็สุขคเวทนายินลายก็ทุกขคเวทนานี่เมื่อเกิดอารมณ์สัญญาขึ้นมาก็เกิดสัญญาขึ้นมาจําอารมณ์นั้นได้ อารมณ์สัญญาไปประกอบจิตจิตจิงปรุงแต่งนึกจยางนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัานขารกจิตวิญญาณรู้เข้าก็พิจารณาอารมณ์สวยอารมณ์ตัดแบบสินอารมณ์แล้วก็เข้าพ่อวังดับลงนี่จิตเกิดพบหนึ่งเรียกว่าพ่อวังค้าจิตลองปู่ของเราเรียกว่าสมาธิธรรมชาติ หลวงปู่หริยังสอนสมาธิธรรมชาติพวกสมาธิธรรมชาติก็ไม่รู้เรื่องอะไรจิตเข้าพะวังพระวังคู่บาทเข้าพักขนาดหนึ่งมันพักเองของมันเป็นธรรมชาติจึงเรียกว่าสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติหรือพระวังคู่บาทรจิต อารมณ์ใหม่ไหลเข้ามาทางทวารอื่นอีก <c oughs> ทวารใดทวารหนึ่งใช่ไหมมากระทบจิตเด็ดกจิตกระเพื่อมออกรับอารมณ์เนี่กายกับจิตใกล้ชื่อตาหูจมูกลิ้นใช่ไหมมาทางได้ทางหนึ่งอืมากระทบจิตจิตเ ข, ข้าเข้าวังอยู่ก็ตื่นจากพะวงขึ้นมา พวังคู่บัดเอ่นออกจากพวังท่านก็เรียกว่าภวะติดเอ็นจากพวังตั้งชื่อเรียกภวะเรียกว่าพบกิตเกิดพบหนึ่งกิตก็ทํางานเรียกว่าวิถีกิจกิจเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนากิตจําอารมณ์ได้ก็สัญญากิตนําเอาอารมณ์สัญญาไปประกอบกิจก็เรียกว่าสังขารกิต วิญญาณรู้ขึ้นก็ดับเข้าพระวังอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะหมุนอยู่อย่างนี้ธรรมจักเข้าใจไหมหมุนไหมละธรรมของพวกเราฮะหมุนไหมรู้จักความหมายของธรรมาจากหรื อ, อยังทีนี้นี่ละพระพุทธเจ้าองค์ไหนอุบัติขึ้นมา ก็มาตัดสั้รูอริยาสัตตีก็มาแสดงธรรมจักฉ์นี่เองธรรมจัจกับปวัตนสูตรือให้ประชาชนาตัดสั้นรูตามพระองค์ไปือนี่แหละสิ่งได้สิ่งหนึ่งเข้าใจไหมก็คันเพื่อนี่แหละธรรมะแปลว่าสิ่งสิ่งได้สิ่งหนึ่ง พรยากนธัญญะจับทางได้แ <c oughs> ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือขั้นห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหม <c oughs> บอกไม่ได้ไม่ให้มันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเอ ง, เองริงเป็นสัจจะคือความกิ่งเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ตายเห็นลูก เกิดขึ้นแล้วดับผูได้ยินเสียงเกิดแล้วก็ดับดับแล้วเนี่ยสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรืเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสีพวกเราจึงมองไม่เห็นทุกข์นึกว่ากินข้าวกินน้ำได้ก็สุขสบายมีเงินมีทองอยู่ก็สบาย มีครอบมีครัวถูกกันอยู่ก็สบายใช่ไหมไม่ทุกทุกละเอียดนี่กิเลสมันจะเกิดนี่กิเลสเรียกว่าทุกยินดีก็สุขขเวทนายินไลยก็ทุกขเวทนาไม่ยินดียินไายก็าอาทุกขสุ ข, ขเวทนาอาทุกขามาสุ ข, ขเวทนาอันนี้อวิ แต่ว่าวิชาห น, นูสัยก็ตามนอนทันอันนี้ก็ดวงตาเห็นทำเรียงเห็นไหมดับมันละกี่ครั้ง <c oughs> ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นได้ได้รสก็เรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ เพราะเราหลงว่าขั้นห้าเป็นเราเป็นของข้องเราเพียงไปอุปทานเราขั้นห้าว่าเป็นเราเป็นของข้องเราก็เรียกว่าสมุดไทยเหตุเกิดแห่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อมันรู้ว่าขั้นห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้เป็นเพียงเขาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันเฉยๆก็ละสมุดไทยได้ก็ดับทุกข์ได้ตายเห็นรูปวันนั้นกี่ครั้งก็ไม่มีอารมณ์ สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินอันนี้เป็นพระอาญาโกนทญญาดวงตาเห็นธรรมเราทั้งหลายเห็นธรรมหรื อ, อยัง <c oughs> เห็นธรรมหรื อ, อยัง <c oughs> เห็นเราเกิดเล่าดับหรื อ, อยัง <c oughs> ถ้าสำคัญตน่าเรามีในนั้นจึงเกิดความโลภอยากได้ขึ้นมา หรือเกิดความกโกรธอยากคับไล่ไส้ส่งออกนี้ไม่พอใจก็มีเท่านี้ตลอดวันเกิดดับเกิดดับถ้าไม่มีใครไปรยึดมั่นถือมันก็ไม่บินทุกข์ถ้าไปยึดมั่นถือมันก็เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่พระพุทธองค์ตัดสรู้ที่ตรงนี้พระยาโกณธัญญะจับทางได้แต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดางานนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นหรือยังเห็นหรือยังไม่ต้องไปอ่านหนังสือ <c oughs> อ่านหนังสือก็ตีความหมาไม่ออกมาปฏิบัติเอาตายเห็นลูกตาก็คือกายหนึ่งใช่ไหมหูคือกายหนึ่งจมูกคือกายหนึ่งกระทบกับโลกภายนอก วิญญาณลุกขึ้นก็เรียกว่าคันห้าเกิดดับลงใต้เห็นธรรมเท่านี้เองก็บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์สองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในปลายพระนาอนันโมาทนาสาธุเห็นธรรมแล้ว ดีใจด้วยเกิดมาไม่เห็นเจ้าของเกิดเจ้าของตายสักทีใช่ไหมเห็นหรือยังที่เนี่ยเห็นเราเกิดแเราตายหรือยังขันห้านี่แหละเรียกว่าเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับนี่แหละทุกไม่อริยสัจสีไม่ได้ทุกที่ไหนถ้ามีเวลาจะสอนไปให้เป็นพละนางนั้นเลยก็ได้เริงจริงนะพระวงศ์เทพเร่งนี่ คนบรรลุเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพระโสดาบันน่ะเดี๋ยวนี้จะเทศน์นี้เป็นพระโสดาบัน <c oughs> ต่อไปก็เป็นประเภทที่สามเอกดีชีเกิดชาติเดียวชาติเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานไปเลยยัด เข้าไปพรนิพพานไหมล่ะอ่าอ่าปาดบดิตทั้งหลายก็ป่าดถนะพระนิพพานบางคนข่าตัวตายหวังพระนิพพานไปทำอะไรทุ่มเทอะไรเศษยทีอดุดมพีออกหนีไปบวชก็หวังพระนิพพานมีเงินหลายๆก็บรรหายากวุ่นวายนะ เดือดร้อนวุ่นวายคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดี น, นี่แต่คนโลกอยากไดอันนั้นอันนี้แี่งชิงกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เศษเรษฐีบรงงารไม่ได้ก็เป็นทุกมีแล้วอย่าไม่รู้เอาไปทำไมตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้นอกจากเราเอามาทานเท่านั้นจึงเหยื่อไปได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไป ทรัพสมบัติที่มีมันเป็นทรัพสมบัติของโลกเมื่อลมหายใจขาดออกไปแล้วหมดสิทธิสามีที่แสนรักเขาจะไปเลยกับเราไหมล่ะฮะไปไหมไม่ต้องเยีย่ยหดอกเขาจะมาสั่งมาไปเด้อเถอะไปเด้อไปสู่สุขติสว่ามันไม่เจ้าไม่รู้ไปสู่สุขติได้ไหม ถ้าไปเป็นพระโสดาบันได้จึงจะไปได้นะสุขติหรือทําบุญให้ทานรักษาชิ้นไว้กินไปสุคติได้นี่ถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างนี้อยู่ไม่บอกเขาก็จะไปสุขตินะอันนี้เอกับ B, พีจีพระโสดาบันประเภทนี้ต้องเป็นผู้ละสังโยชน์ได้สามอย่างสังโยชน์มีอยู่ทั้งหมด จอย่างพระโซดาบรนละสังโยชน์ดได้สาม <Okay. S 1> สักกยทิฏฐิวิกิจิตชายศีลพัตปรามาทพระ <Okay. S 1> ส ก, กิท ธ, ธาคามีก็ละได้สามอย่างพระอนาคามีละได้ห้าอย่างการมลาคะพยาบาทเพิ่มอีกสองเป็นห้านี่เป็นสังโยชน์ดเบื้องต่ำโอลำพายชียสังโยชน์ สังโยชน์เองบนเป็นสังโยชน์ของพลังหันรูปราคาคือรูปฌานอรูปราคาคืออรูปฌานตัวมานะคือความถือตัวเห็นตัวเห็นแก่ตัวอือุปติชฌะความทึ่งอยู่ในใจอุติชฌะเฉยเฉยอุติชฌะอุกุตจะไม่ใช่อุทติชฌะความทึ่งอยู่ในใจ เห็นคนสวยๆมาเห็นคนหล่อๆมาก็ทึ่งอยู่ยังตัดกามไม่ขาดยังทึ่งอยู่ชั่วคราวอยู่อารมณ์ยังมีทึ่งอยู่แต่ก็ว่างพลังหันก็ทึ่งโอ้สวยอยู่ก็แล้วไปอือโอหล่ออยู่ก็แล้วไปยังยังยังเห็นอยู่ยังกระทบอยู่ทึ่งอยู่แต่ไม่ ยินดีไม่ยินไายเท่านั้นส่วนอวิชชาดับตัวสุดท้ายกิเลสทั้งหลายก็ไปรวมอยู่ที่อวิชชาตัวเดียวคือตัวเหล่าตัวกูนี่วันนี้จะพูดถึงพจนดัญญัละสกายทิฐิวิกีกิจชาศีลพัฒปรมาทได้มาทำความเข้าใจเรื่องส ก, กายทิฐิ สักกายะคิดทิ่แปลว่าความเห็นความเห็นว่าก้อนสกุลกายนี่แหละนี่ใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าก้อนสกุลกายดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมาประชุมกันหกอย่างเรียกว่าสังขารก้อนสังขารใช่ไหมเนี่ย สังขารมาประชุมรวมกันเข้าหกอย่างก้อนสังขารหรือก้อนสากลมีเนื้อของไม่ดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่าของสากลใช่ไหมพระโคดองค์จึงเรียกว่าสากลกายก้อนสากลกายนี้เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่มี ทุกคนก็เป็นธรรมชาติเสมอกันหมดอยู่นี่ใช่ไหมเป็นธรรมชาติเหมือนกันดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมารวมกันเป็นก้อนของใครของเราใช่ไหมล่ ะ, ะมีเจ้าของไหมไ ม, ไ, ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมไม่มีเจ้าของนะต่อมาคนจริงไม่มีเชื่อจะเรียก จตั้งเป็นปุคลาธิฐานตั้งสมมุติบัญญัติเป็นชื่อขึ้นมาให้เรียกว่าดินน้ำลมไฟนี่ให้เรียกว่ารูปธรรมไมเรียกว่ากายใช่ไหมคนในอดีตตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันส่วนใจเรียกว่านามธรรมก็เรียกว่ารูปธรรม กับนามธรรมก็ยังไม่ชัดเจนมาสมมติว่ารูปธรรมก็คือกายใช่ไหมนามธรรมก็คือใจใกายกับใจมีความมาสมมติอีกว่าขันห้าใช่ไหมขันห้ามีจริงๆิงไหมฮะ<า>แน่หลงเงินแล้ว เอาก็ไม่สมมติก่อนธรรมชาตินี่มันไม่มีชื่อได้ไหมล่ะ ส, สมสมมติเป็นชื่อเป็นบุคคลเป็นวัตถุขึ้นมาเรียกกันพระองค์จึงว่าปุคลาธิฐานสมมุติบัญญัติชื่อขึ้นเรียกมาเรียกว่าขันห้าก้อนธรรมชาติอันนี้ตั้งชื่อว่าขันห้าเข้าใจไหม ขัน <c oughs> ลูกทำนาำทำนี่ก็เรียกให้ชื่อว่าขันห้าสมมุติว่าขันห้าสมมุติชื่อสมมุติชื่อว่าขันห้าเป็นชื่อของธรรมชาตินี่ใช่ไหมใช่ขันห้าจริงจริงไหมไม่มีไม่มีต่อมาก็มาตั้งชื่อขันหน้าว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีจริงไหม ไม่มีหรือ ม, ม, ม, มีอยู่แน่ตอบแบบสงสัยแล้วนะนไม่มั่นใจแล้วสมมติสมมติชื่อขึ้นมาเรียกกันชื่อมีตัวมีตนไหมก้อนนี้ชื่อว่ากิตติยงไงใช่ไหมล่ะก้อนนี้สมมติ ว่ากิตติธรรมชาติกว่านี้ใช่ไหมกิตติมีตัวมีตนไหมไม่ฮะไม่มี<ะ> ม, มีไหมไม่มนั่งอยู่นี่ใครนี่ฮะว่านธรรมชาติเขามาตั้งชื่อว่ากิตติเสาเสามีจริงไหมไม่มทำไม่ น, นั่นนี่ฮก้นธรรมชาติใช่ไหมเขาเอาปุนเอาเหล็กเอานันมาประกอบกันเขา้ามันกับเอาดินน้ําลมไฟมาประกอบกันเรียกว่าสาธิตอย่างไงใช่ไหมสาธิตมีจริงไหมไม่เป็นชื่อของก้อนนี้อเรียกว่าสาธิตนะเรียกว่าจิตตินะฮะใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 2> ขันห้า เ, เรียกนี่ว่าขันห้าขันห้ามีเกมไหมไม่ใม่เพิ่งจะเข้าใจ <laughs> เข้าใจว่าตนเป็นขันห้าอยู่ <laughs> ใช่ไหมก็มาตั้งชื่อกวก้อนธรรมชาตนี่เรียกว่าขันห้าคงเข้าใจแล้วนะเท่นี่ <laughs> แล้วมาตั้งชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาตัวตนเป็นสัตว์เป็นคน <laughs> เป็นเรา <laughs> เป็นเขา อัตาตัวตนมีจริไหนอืมสัตว์บุคคลจริงจริงไหมมีจริงไหมไ ม, ไม่มีเข้าใจไหมล่ะข้างนอกฮะ <c oughs> ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่นี่น ะ, <c oughs> ะใครจะพากลับบ้านล่ะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีเราอยู่นี่ <c oughs> นี่เขาตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นมาในอดีตตั้งชื่อสมมุติบัญญัติขึ้นมาใช้กัน เราผู้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็เลยมาถือเอาสมุติจริงจริงจังๆว่าเป็นเราจริงๆเป็นกูเป็นมึงจริงๆใช่ไหมใช่ก็เลยผิดกันมาหึงมาห่วงอยู่เนี่ยว่าเป็นกูเป็นมึงเป็นเราเป็นเขาจริงจริงใช่ไหมนี่สักกายะทิฏฐิหรืพอพระองค์ตั้งตอนภาษาบาลีว่าอัตตาลุทิฏฐิ ตามเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าความเห็นสี่อย่างตามเห็นว่าขันห้าเป็นตนหนึ่งเห็นตนเป็นขันห้าสองเห็นขันห้ามีอยู่ในตนสาม เห็นตนมีอยู่ในขั้นห้าสี่ความเห็นสี่อย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาแปลว่าอะไรความเห็นผิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดืคนนีไห ม, ไมอัตาตัวตนมีไห ม, ไมขั้นห้ามีไห ม, ไมขั้นห้าเป็นตนไหม นี่ใช่ขันห้าเป็นตนก็เห็นผิดใช่ไหมล่ะขันห้ามียในตนก็ผิดใช่ไหมตนมีในขันห้าก็เห็นผิดใช่ไห ม, มเรียกว่าสัมมาเรียกว่ามิชาริทิความเห็นผิดหรืเรียกว่าอาวิชารู้ไม่จริงนั่นเองใช่ไหมรู้ไม่จริงคือหลงนั่นเอง หลงไหมล่ะฮะหายหลงไหมยงังคันห้ามีจริงไห ม, ไมแม่หายหลงแล้วคันห้าเป็นเราไหมไม่เออหายง้อแล้วเราเป็นคันห้าไหม่มเราจริงจริงเลยไหมใ่คันห้าจริงจริงเลยไหม่ ม, มีแต่เขา ส, สมมุติขึ้นมาเรียกกันเฉย เราก็หายโง่หายหลงเท่านั้นเองดับมิจฉาทิธฐิได้หรือละอวิชชาได้สัมมาทิธฐิความเห็นถูกต้องความเห็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนเกิดขึ้นมาแทนหรือยังแหมแต่ก่อนหลงว่าขันห้าเป็นเราใช่ไหม <c oughs> ฮะใช่ไหมไม่ต้องยิ้มดอกหลงตาก็เหมือนกันนะแ ต, แต่ก่อนนะ <c oughs> เพื่อนจะมารู้จักแล้วมานำมาสอนพวกเราเนี่ยแหละคนทั้งหลายก็หลงกันหมดโลกหลงอยู่อย่างนี้แหละโลกจึงงมงายกันอย่างนี้นขันห้าเขาโทรมาเรียกก้อนนี่ว่าขันห้าเฉยๆไม่มีตั้งชื่อมาเรียกอันนี้เฉยๆเหมือนกับสาธิตนี่นะ่ะเขาตั้งชื่อมาเรียกก้อนสนกลนุลกาว่าสาธิตไม่กิติ ยกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหยล่ะเป็นชื่อเฉยๆสาทิตจิตติจริงิรงิไม่มี ม, ม, มีแต่ชื่อก้อนธรรมชาติตั้งขึ้นมาเรียกไม่ให้หลงกันเฉยๆใชไ่ไหมล่ ะ, ะขันห้าจริงิริก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่มีนี่อัตตาโนทิตติตามเห็นขันห้าเป็นตนเนี่ยเห็นตนเป็นขันห้า เห็นคันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีในขันห้าดับลงได้หรือยังฮ้าอดับควาโง่ลงได้หรือยันอ้าหลงมาต้องแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมหลงมาเป็นเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเราไม่อะไรนั่งอยู่นี่เออกาลังจะหายโง่หายหลงหายโง่หายหลงหายเป็นบ้า หรือกำลังจะสางง่งเมาแต่ก่นอนเมาอยู่ใช่ไหมเมาโลกเมาสมมติเขาสมมติว่าขันห้ากบมันหกกลงว่าขันห้าเป็นเราจริงๆริงเป็นเราจริงไหมล่ะทีนี้โอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วอนุโมทนาด้วยและสักกายทิฐิได้หรือระดับมิจฉาทิฐิลงสัมมาทิฐิ คือความเห็นถูกต้องคือองค์ปัญญาอความเห็นชอบความเห็นถูกต้องก็ปรากฏขึ้นมาเห็นาาว่ากายสัต์แต่ว่ากายมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไหมใช่นี่แหละความเห็นถูกต้องกายสัต์แต่ว่ากายทำรรมชาติสี่อย่างมันลวมกันเขาเขาสมมุติว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ท่านี้เองใจก็ธรรมชาติเขาตั้งชื่อสมมุติว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเกิดมาเบื้องต้นก็หลงกายนี่เองเบื้องไปก็หลงใจ้องว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่เองใช่ไหมกินมากันมาคมเห็นรังแกกันหน่งหวงเอามาให้เราอยู่ใช่ไหม เพราะมีเราอันเดียวนี่องแบบนี้เราละได้หรือยังเรามีไหมแหมชัดแกล้งแล้วทีนึงอรือมาหึหัวให้เรานี่ละลูกเราเมียเราหัวเราอยู่างนี้ล่ะสื่อเสียตัวส่วยๆทำงานจบแบ่งให้เขาเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมแบ่งให้เขาเนี่ยละนุ่งให้ดูว่าอย่างนั้นนะ คงจะหลอกว่าเขาคงจะสวยกว่าเขาใช่ไหมละ่ะเนี่ไม่ใช่นี่พวกเราอืนั่งถือตามสมมุติโลกเขาเราก็บำแบกโลกแบกสมมุติเอาเฉยๆล้วก็ละส ก, กัดยะทิฏฐิได้เท่านั้นเองวิีิกิจฉาความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัว ต, ว ต, วตวนมีอยู่ในขันห้ามีไหมสัตว์บุคคลตัวตน โอ้ก่อละมิจฉาทิฏฐิได้ทีลพัดปรามาัิความประพฤตพุทธปฏิบัติวัดก็ปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีทนี้รักษาสิมสมัยพุธการเขางมงง่ายมนอย่างไปเขาอธิบายลทัทธินั้นลทัทธินี้เขาเถือกันบางลทัทธิก็เอากำมือจนเล็บมือ ทะลุนี่จึงเรียกว่าสำเร็จได้นี่ประพฤติวัดปฏิบัติศีลของเขาบางคนก็สุนักวัดวัดคือข้อปฏิบัติปฏิบัติเหมือนหมาไม่ออกมือจับกินข้าวก็ต้องเอาปากก้มไปกัดไปเลียไปกินเอาสุนักวัดโควัด พวกีกินแต่ผักแต่หญ้ามันวัวมันควายเรียกว่าโควั์เมื่อคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าพวกปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> จะมีทางเห็นพระนิพพานไหมตายไปแล้วเขาจะเป็นไหนพระเจ้าค่ะเขาก็ไปเป็นวัวเป็นสุนัขเป็นตามที่เขาไปปฏิบัตินั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมล่ะปฏิบัติเหมือนวัวมืนควายก็เป็นวัวเมืนควายนั่นแหะ ปฏิบัติมันมาก็ตายไปเป็นมานั่ น, นะถ้าผู้ใดไปปฏิบัติตามมักสี่พ้นสี่จึงจะเข้าพระนิพพานได้ตามมักผ้นศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแล้วก็ละสกกยยะทิฏฐิได้หรือยังยวิจิจิชาศีลปฏิปละมากาโอ นี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันอนุโมทนาสาธุาาธเกิดชาติสุดท้ายเพราะเมื่อใจจะขาดเรามีไห ม, ไ ม, มขั้นห้าเป็นเราไห ม, ไมเราก็รู้เราก็ไปพรนิพพานเลยไม่มาเย็ดมันดิ้นัันว่าขั้นห้าเป็นเราเป็นห้องของเราอีก มันเป็นธรรมชาติเกิดดับอยู่อย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาัตตาขัตตสดตบันประเภทนี้จึงเกิดพบสุดท้ายก็เข้าสู่พระนิพพานหร้อไม่ก็เห็นพระนิพพานแต่ยังไม่ตายไม่อยู่ไกลนะพระนิพพานอยู่ที่ตัวเรานี่เองพระนิพพานมีอยู่ทั่นทั่วทุกตัวเรา ผู้ผู้ใดได้อริยสัจ ส, สีผู้นั้นก็เข้าถึงพายในผ่านเห็นอริยสัจ ส, สี่ทุกทั้งหลายก็คือกายกับใจมันเกิดมันดับอยู่ใช่ไหมถ้าห <c oughs> มุนอยู่เห็นทุกหรื อ, อยังเ <c oughs> นี่ยหมุนอยู่ตลอดวันคันมงาทำงาน มันเป็นของละเอียดพระพุทธองค์ยังไม่อยากสอนคนกว่าคนยังไม่รู้จักมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเป็นสันตติสืบเนื่องกันเรียกว่าพุทุกข์เท่า น, นี้เนะมื่อตายเป้นลูกหูอะไรยิงเสียงจาหมูได้กินลิ้นในรถนะลูกภายในกระทบกับลูกภายนอกหรือกระทบกับอายัดทางหน้าภายนอกใช่ไหอวิ ญ, ญญาณเรียกว่า <c oughs> ใจ ใจออกมารับอารมณ์ออกมารับอารมณ์ก็เรียกว่าขั้นห้าเกิดพบหนึ่งถ้าเป็นใจของพระอริยะใจมีสัตว์บุคคลไหมล่ะฮะสัตว์ใจมีหน้าที่รู้ให้เฉยเฉยไม่ใจยึดไปถืออะไรรู้เฉยรู้เฉย ใ, ใจสัตว์แต่ว่าใจไม่มีสัตว์บุคคลอยูนน่นั้นมีหน้าที่รู้ให้เฉยๆใจรู้ให้ใจของพระโสอดาบันก็ไม่รับอารมณ์เพราะว่าเราไม่มีใช่ไหมใช่ไหมเสียงเบาๆตายของลูกก็ไม่ใช่เราเห็นใช่ไหม จะยินดีไหมในรูปที่เห็น<ม>จะยินลายไหมหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าไ ม, มไม่มีเสียงก็ไม่มีตาหูก็ไม่ใช่เราวิน ญ, ญาณก็ไม่ใช่เราใช่ไหมมันทำงานร่วมกันอยู่เฉยๆไม่มีใครไปยึดมั่นถือมันเราก็ฝึกสติอยู่อย่างนี้เมื่ออายต น, นะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณดูให้ยเรียกว่าผัดสะ หรือสัมผัสว่าพัิสะเกิดเไงปฏิสะเกิดตัวตัชนจะสําคัญตนว่าเรามีอยู่ในปฏิสะว่าเราเห็นใช่ไหมฮะแต่ก่อนเป็นอย่างนี้นีมว่าเราได้ยินว่าเราได้กลิ่นยินยินดียินลายขึ้นมาถ้ายินดียินลายก็จิตเสวยองวางม์ก็ยกากบำเม็ญาวนาทานั้นถ้าพระอริยะ เราไม่มีใช่ไหมยินดีไม่ใช่ไหมยินไล่ไหมก็รู้เฉยเนี่ยเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นแต่ยินสัตวแต่ว่าได้ยินรู้อยู่เฉยเฉยก็ได้กิจก็ไม่ได้รับอารมณ์กิจก็ว่างจากอารมณ์ว่างจากสมมติก็เป็นวิมุติอยู่ตลอดวันเขาเรียกว่าพระนิพพานเท่านั้นเองอยู่ไกลไหมล่ะอ่าฉะนั้น เมื่อเราท่านแดงหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นําเอามเมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกั น, กนเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นพระพุทธองค์ตัดให้อบรมบ่มอินซียินซีหกอบรมบ่มเาไว้ซะก่อนเหมือนเขาบ่มผลไมใช่ไหมให้มันสุกมันงอนซะก่อน อย่าด่วนว่าเราเห็นอย่าด่วนว่าเราคิดเวลาความคิดเกิดขึ้นใช่เราคิดไหมล่ะอารมณ์เราจำได้ไวแต่อดีตมันไหลออกมาจากใจนี่คืออารมณ์คือลูกภายนอกใจคือลูกภายในมโนวิญญาณลูกเขา้าเรียกว่าวิญญาณมโนวิญญาณเรียกว่าใจใกล้กับใจก็เกิดแล้วก็ดับ ถ้าใครไปบวชทานก็เป็นบ้าแหละหลงว่าเราคิดใช่ไหมยิ่งคิดไปก็ยิ่งร้อนยิ่งร้อนนอนไม่หลับผ้าบางๆก็เตะออก <c oughs> อ่าทีแรก <c oughs> ใช่ไหมแต่ลวงตาไปเรื่อไปไงผ้าบางๆก็เตะออกมันร้อน่ะ <c oughs> คิดไปคิดมาร้อนแรงขึ้นได้ลุกขึ้นมานั่ง <c oughs> <c oughs> มาบวชถึงมาลุกอ๋อคันหาทางานไปอุปทานคันหาใช่ไหม ว่าเป็นเราเป็นพ้องของเรามันก็เลยทุกเลยเป็นบาปความคิดอาวันนี้ก็พูดให้พระโสดาบันประเภทที่หนึ่งคงเป็นได้หมดทุกคนนี่ใช่ไมอมกายดีวาาด่าจใดีใจดีประเภทที่สองก็ดวงตายห็นทำลูกทำน้ำทำคือขั้นห้านัา้นกระทบกับลูกภายนอกอ่ เกิดแล้วกว็ดับสิ่งได้เกิดจริงได้ดับนี่แหละเรียกว่าสัจจะธรรมเกิดแล้วดับนี่คือสัจจะคือความจรงิงเรียกว่าทุกข์คืออริยสัจจรงิงนี่ความจริงเกิดแล้วดับไม่มีใครห้ามใดไม่ให้มันดับขันห้าเกิดดับอยู่อย่างนี้ห้ามไม่ได้ตลอดวันตลอดคืนที่เรียกว่าทุกข์คืออริยสัจจรงิง เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นี่รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นก็เรียกว่านิโรธ ด, ดับทุกได้ทั้งนั้นเองถ้าหลงว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่เขาเรียกว่าสมุ ท, ทยัยนีง่ง่ายๆนี่ก็ได้นิโรธก็คือพันธิภัานนั่นแหละดับทุกได้ก็เห็นพันธิภัานเท่านั้นนี่ประเภทที่สองก็เป็นได้ทุกคนใช่ไหม ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับรู้จักว่าจะความเป็นธรรมชาติไหมละ่ะรูปทำนา้ำทำนั่งอยู่เนี่ยกลกับใจนี่ธรรมะเนี่ยธรรมชาติคือกายกับใจนี่เกิดดับเกิดดับอยู่ อ, อันที่สามก็ให้ละสกญาตทิติวิกีกิชาสิรพัฒนประมดังแสดงให้ฟังก็ปรากฏว่าเราท่านทั้งหลาย เข้าใจเข้าใจรู้จักว่าขันห้าไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมใช่เวลามันเกิดดับก็ปล่อยให้มันเกิดดับอยู่นั้นไม่ควรเย็นมันถือมันแบบเราเกิดเราดับไม่เป็นสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่เกิดเราก็ดับทุกได้ก็เข้าสู่พระนิพพานดังได้แสดงมาก็สมควรแจ่เวลา เอวังก็มีด้วยประกาละชนิดฮะอา่อาเดี๋ยวนี้นะมีมีทางโรงพยาบาลศีนักลินขอเครื่องมือแพทยจากลุงตามา วันที่เปดมีนานี้จะให้เขาเงินสามล้านสองแสนแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีมีคนโอนเข้าไปให้ประมาณล้านแล้วล่ะล้านแล้วล่ะ แ, แ, แล้วแต่ใครจะช่วยเครื่องมือแพทย์นะโรงพยาบาลศรีนครินไม่มีซองไม่มีอะไรมาอยากจะช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไป เครื่องมือยิงสไลมิ้วในไตในถุงน้ำดีราคาสามล้านสองแสนบาทถ้าโรงพยาบาลซื้อมันเป็นห้าหกล้านมันมีอะไรจ่ายกันไม่รู้ห้าหกล้านถ้าโรงพยาบาลซื้อหลวงตาจึง <c oughs> ขอมาจึงให้ไปส่งคนไปติดตามที่บริษัทตกลงราคากันมา ว่าราคาเท่าไรเขาไปถามว่าต่อรองราคาได้สามล้านสองแสนก็นัดจ่ายให้เขาวันที่แปดมีนาคมนี้เองนะ๋ยนนี้เจ้าของก็มาเที่ยวเร่ล่อนอยู่ไม่ได้ไปไหนคงเหลือหลายบาทอยู่เด็ยังไม่พอเขาแล้วแต่เราจะช่วยไปใครมีจะช่วยก็ยินดีนะได้หายไข้หายเก็บหายป่วยร่วมกัน ทางโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีปัจจัยเงินทองซื้อไม่ได้เครื่องมือเก่าก็แรงต่ำมีสิ บ, บัตทว่าอย่างังนะยังนี้อยากได้สามสิ บ, บ์30สามสิ บ, บนี่ราคาสามล้าน2องแสนถ้าเราอยากจะช่วยคนที่มีปัจจัยก็ช่วยช่วยกันก็ดีเป็นการทาบุญเป็นทบุญผ่าน้องตานีและ ทางผ่านาน้องตาไปเพื่อช่วยเหลือคนอยากคนจนไปผ่าตัดถ้ายิงมวมันแก่มันก้อนโตยิงไม่แตกสลายไม่แตกต้องได้ผ่าตัดเป็นแผลใหญ่รักษายากเราเขามาเล่าให้ฟังเราก็สงสารก็เลยว่ารับปากจะช่วยเขานั่นละแล้วแต่นะพูดให้ฟัง